วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบหกกันยายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าวันนี้พระลงมาฉันยี่สิบสี่งดฉันสิบหกนี้ผพน้อมมองเห็นนะบางตาพระไม่ลงไม่ลงมาฉันสิบหกรูปนนี้เมื่อวานวันที่ยี่สิบห้าฉันจังหันเสร็จหลวงพ่อออกไปทำธุระ ไปกราบคารวะหลวงปู่หลีตั้งแต่เข้าพรรษามาหลวงพ่อยังไม่ได้คารวะกุบายจารย์ยังไม่ครบนะ่ก่อนหน้านี้ก็ไปกราบหลวงปู่จามหลวงปู่แบรนแล้วก็หลวงปู่บุญมีหลวงปู่อุ่นแล้วก็เจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดแล้วก็หลวงปู่วัดโพธิสมพรหลายองค์แต่ยังไม่ครบวานกันเลยเห็นว่าง เขาเลไปกราบหลวงปูล่ลีพร้อมกันก็ได้นําจตุปัจจัยวัดของเราเนี่ยที่เก็บเล็กผสมน้อยคณะทศไทยญาติโยมถวายต่างกลัมต่างวาระที่พวกเราใช้นะครับพอเป็นไปพวกเราใช้ด้วยความประหยัดนะวัดของเราอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นตลอดถึงอาหารการบริโภคเราใช้ด้วยความประหยัดเนีย่ยคือไม่เหลือเฟือฟุ่มเฟือย ถ้าส่วนไหนที่จะเก็บไว้ทาบุญหรือ ว, ว่าเก็บไว้เพื่อสาธารณประโยชน์หลวงพ่อก็ได้เก็บเพื่อสาธารณประโยชน์หลาหลายอย่างอย่างวันนี้เราหลวงพ่อจะพูดให้ฟังสองสามวันที่ผ่านมาโรงเรียนน้ำโสมเขาซื้อรถจะบรรทุกนักเรียนเพราะนักเรียนโรงเรียนเขาใหญ่นักเรียนงเป็นหลายพันจะได้รถ ไปทํากิจกรรมออกหน่วยออกหน่วยออกค่ายลักษณะอย่างนั้นแหละก่กนไปซื้อรถยังขาดเงินอยู่ประมาณแสนสี่ ท, ทั้งที่หลวงพ่อเข้าก่อนก็เขานด้มนต์ไปเป็น ท, ทอดผ้าป่าแต่ก็ยังขาดเงินอยู่แสนสี่หลวงพ่อก็ให้ไปเมื่อวันวันก่อนมอบให้แล้วอย่าให้เป็นหนี้เป็นศินเอ้า เป็นกำลังใจในการเรียนการสอนทําคุณประโยชน์ให้แก่ลูกหลานให้แก่ประเทศชาติเนีหลวงพ่อก็มอบให้แล้วก็เมื่อวานหลวงพ่อก็ไปกราบหลวงปู่ลีก็ได้รวบรวมจิตุิ ป, ปัจจัยอย่างที่หลวงพ่อได้พูดนะเก็บเล็กผสมน้อยนะที่เราเหลือนะเหลือจากการดูแลวัดของเราลนะงไปหลวงพ่อ เอาไปถวายท่านเมื่อวานเนี่ยห้าแสนะคณะสัตยาชญาโจบลูกหลานนะร่วมสร้างเจดีย์หลวงปู่ลี5้ 0,000 บาทพวกเราทุกๆท่านออนโมธนาสาทุกการร่วมกันนะแล้วก็วันนี้เนะี่ยวันนี้โรงพยาบาลศูนย์อุดรแล้วก็คณนะบริษัทเนี่ยที่ทางโรงพยาบาลศูนย์อุดรซื้อเครื่องมือแพทย์ ผ่าตัดตับตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษาตั้งแต่ต้นปีเพราะว่าเครื่องมือตัวนี้ยังไม่ไม่ได้นํามาใช้ในโรงพยาบาลศูนย์อุดรแต่ก่อนเราผ่าตัดตับอพอผ่าตัดตับก่อนรู้จัดแล้วมันยุ่ยมันเย็บไม่อยู่พอผ่าตัดเข้าไปก็เลือดออกมากก็เลยอยากจะได้เครื่องมือตัวนี้แต่ว่าราคาหลวงพ่อฟังแล้วก็ไม่แพง ทา้งอีสานเหนือของเรายังไม่มีเพราะทั้งอีสานเหนือของเราก็เป็นมะเร็งตับให้มากบางทกีก็ก้อนในตับใบไม้ในตับตับแข็งมะเร็งตับมันมีหลายอย่างแต่นี่เขาต้องการเครื่องมือราคาล้านห้าหลวงพ่อก็ถามว่าได้เท่าไหร่ทางโรงพยาบาลจะมีคนสมทบ ในโรงพยาบาลได้เท่าไหร่ก็ว่าได้ห้าแสนยังขาดอยู่หนึ่งล้านหลวงพ่อหลงพอมองแล้วเห็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนหลวงพ่อตกลงให้จะให้หนึ่งล้านในวันนี้หละบริษัทจากกรุงเทพและคณะพยาบาลหมออุดอรจะเข้ามาก็คงจะมาคุยกันก็คงจะมอบ เป็นตัวหนังสือให้หมาบเป็นเช็คให้นี่แหละคือวัดของเราถ้าหลวงพ่อไม่พูดให้ฟังพวกรูกร้านการนัตธาญาติโยมที่เกี่ยวข้องก็คงไม่รู้ไม่ทราบแต่ถือว่าปัจจัยที่ได้มาหลวงพ่อไม่ได้ถือว่าเป็นของหลวงพอ่อเป็นของกลางเป็นของกลางยังไงคือเป็นของพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าถ้าวัดวาศาสานาเอามาใช้แล้ว งานดูแล้วบริหารดูแล้วกระพาอเป็นไปได้เพราะเป็นพระเราก็ไม่ได้ใช้แบบรูหลาโออ้าฟุ่มเฟื่อยอะไรก็ะั้ทายาิโยมขอถวายอยู่เรื่องปัจจัยสี่พอเป็นไปได้แต่ปัจจัยที่สั้ธทายาทโยมถวายต่างกลัมต่างบาระคนะมากคนละน้อยหลวงพ่อก็ได้รวบรวมแล้วก็เอาให้เกิดประโยชน์ที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟัง วันนี้เพียงแต่วันนี้วันเดียวนะสารายการเนี่ยพวกเราตรองดูซิว่ามีเหตุผลไหมมีประโยชน์หมอยอันหนึ่งก็ช่วยเด็กนักเรียนเพื่อให้เด็กนักเรียนของเราคนในชาติของเรามีความก้าวหน้าในการศึกษาอันที่สองก็คือวัดวาศาสานาเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็บรรจุ อัธิธาต์พระ ธ, ธาตุขององค์หลวงตาเป็นหลักจากนั้นอัฐบริขารของหลวงตาลักษณะพิพิธภัณฑ์อยู่ในนี้ด้วยก็เป็นสมบัติของพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าหลวงพ่อมองเห็นมองแล้วเห็นเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อศา ส, สนาต่อคนอนุชนรุ่นหลังนานเท่านานแต่วัดของเราได้ช่วยหลวงปู่ลีไปแล้วพี่น้องประชาชนลูกหลานทุกคนนะณนะวันนี้นะ ร่วมสมทบสามครั้งครั้งแรกสองแสนบาทนะครั้งที่สองเนี่ยสามแสนบาทเมื่อวานในครั้งที่สามนะห้าแสนบาทรวมแล้วเป็นหนึ่งล้านบาทแล้วนะอันนี้หลวงพ่อบ อ, อ, อกกราบเรียนหลวงปู่ลีว่าถ้ารวยกว่านี้จะต้อมาถวายอีกครับผมฮะถ้ารวยกว่านี้จะมาถวายอีกครับผมถ้าจนแล้วก็คงจะไม่ไม่ถวายฮนี่แหละอันนี้ก็เรื่องเรื่องพระพุทธศาสนา แต่ในเครื่องมือแพทย์ อ, อย่างที่หลวงพ่อได้บอกกล่าวให้แก่คณะทา ย, ยาทยมลูกหลานได้ทราบก็มีความจำเป็นต่อชาติบ้านเมืองทำไมถ้าไม่จำเป็นก็ไม่มีใครอยากจะเข้าโรงพยาบาลในเมื่อเข้าโรงพยาบาลก็ต้องอยากให้รักษาดีที่สุดต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีเพราะนั้นเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีเราจะรอคอยแต่ทางทางรัฐบาล เขาก็ยังถกเถียงกันไม่รู้จะจบอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นพวกเราพอแต่ช่วยได้ก็เอือยื่นมือเข้าไปช่วยที่ไม่หนักหนาแล้วก็เกิดประโยชน์เกิดประโยชน์แต่ก็ไม่หนักหนาหนักจนเกินไปนี่แหละอันนี้ก็คือถ้าเรามอง ถ, มถ้ามุมมองอย่างหลวงพ่อมองนะหลวงพ่อกลาเกิดประโยชน์แต่คณะสัตยาญาติโยมลูกหลานมองอาจจะมองในมุมไหนกับสุดแท้แต่ การที่จะมุมมองฮะแต่ถึงอย่างไรก็ได้ทำไปแล้วเสียสละให้แก่ประเทศชาติไปแล้วก็คงจะเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยแต่ในใจของพ่อเนี่ยเต็มร้อยต้องมากฮะจึงได้ได้ทาลงไปก่อนที่จะทำอะไรลงไปเราต้องคิดบวกลบคูณหารดูก่อนว่าการทำลงไปครั้งนี้คราวนี้หรือเสียสละครั้งนี้จะมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าของสมบัติ เจ้าของทรัพย์เจ้าของเงินจะต้องได้คิดไตรตรองเหตุและผลให้ดีไม่ใช่ว่ามัวเมียเขาแล้วก็คิดจะทำบุญก็ทำไปเลยเผลอๆ เ, เ, เขาไปซื้อสิ่งที่มันไม่ดีเป็นบาปเป็นกรรมติดถล่มเข้ามาหาพวกเราอีกเพราะทำผิดที่ผิดทางอย่างพวกเราเอา้ามาเนะี่ยเราจะมีงาน เออมาเอาเงินมาเพื่อจะไปซื้อควายสักตัวมาล้มเออเราใชา่มีงานเนะขาจะจะเลี้ยงคนเราเอาเงินให้เขาใช่ไแล้วไปซื้อควายมาฆ่าไงแหละจะเป็นบุญหนระือเป็นบาปติ่งแต่ความคิดของเขาก็คิดอีกแบบหนึ่งแต่ว่าการกระทำนะ่ะไปฆ่าควายเราต้องมีส่วนร่วมสิ่งเหล่านี้มันต้องได้คิดอีกเหมือนกันในการที่จะทาคุณประโยชน์ให้แก เอแต่ทําเรื่องเราอะไรให้กับใครหรือชุมชนใดมันจะเป็นพิษป็นภัยตามมาหรือหรือไม่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นแนวความคิดนะให้พวกเราทำทั้งหลายได้คิดพอหลวงพ่อเนี่ยเขาว่าหลวงพ่ออินเนี่ยหลวงพ่อละเอียดกขาวางขนาะดเขาตั้งเชื่อว่าหลวงพ่อละเอียดขาานาดนั้นถ้าไม่จินถ้าไม่ทําไม่ตายถ้าไม่สนิทใจ จ, จริงหลวงพ่อก็จะไม่ให้จะไม่ทําะ แต่หลวงพ่อก็พยายามปลดออกนะเดี๋ยวนี้นะปลดออกอันไหนที่จะเป็นนี่เป็นศีลหลวงพ่อก็ให้ไปให้ไปตั้งแต่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแหะหลวงพ่อจะทําอะไรนะหลวงพ่อก็คงจะไม่รับใครง่ายๆทําไมเพราะอีกต่อไปนี่พวกเราคงจะคล้ายๆกราถ้าเป็นถ้าเป็นหน้ากระดานหรืว่าหน้าศึกสงครามกันเราก็หันหน้าใส่เจดีหลวงตาละข่าวนี่ ไอ้ข้าว่าคงจะลงสร้างเจดีหลวงตามีเท่าไหร่คงจะทุ่มสร้างเจดีหลวงตาการที่จะสร้างพระเจดีขององค์หลวงตาพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาแต่ครูบาอาจารย์บางองค์ท่านก็ไม่เห็นด้วยนะไม่เห็นด้วยทำไมจะไปสร้างเจดีที่วัดป่าบ้านตาลงพราะแม่กุญจารย์ไม่ให้สร้างหลวงพ่อก็บอกว่าใช่เพราแม่กุญจารย์ท่านก็ห้ามเราจะไปฟังท่านพูดนะท่านถมตนของท่าน อย่ามายุ่งกับเรานะไอ้นั่นสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้พวกท่านทำอย่างอื่นอย่างเงินทุกบาททุกสตังค์อย่าเอามาใช้ในงานศพของเร า, ามีเท่าไหร่เอาไปซื้อทองคาเข้าคลังหลวงทั้งหมดถ้าบอกพวกเราคิดดสิถ้าเงินเข้ามาผ่านบ้านตาดตั้งแต่ประตูบ้านตาดคือมาเงินทุกบาททุกสตังค์แล้วเอาเข้าคลังหลวงทั้งหมดงานพระราชทานเพลิงศพวันนั้นจะเป็นอย่างนั้นไหม พวกเราถามเลยสิเอาพึ้นกายน้าผากักแต่ก่อนยังค่อยถามตัวเองถ้าว่าไม่มีเงินลงขันกันไม่มีเงินชนะคณะสิทธิอนุสยยิทธิลงขันกันจะเป็นอย่างนั้นไหมแล้วเมนจะอาเงินที่ไหนมาสร้างเศษคาถาเป่าอบใช่ไหมถนนลาดยางบริเวณนั้นแต่ก่อนไม่มีใช่ไหมนนนนเศษคาถาเอาใชจไหมเสียงเหล่านี้ถ้าเอาถ้า คนมีสติคนมีปัญญาคนมีแนวความคิดจะต้องคิดออกว่าจะต้องหาเงินอย่างไรมาใช้ในงานนี้เพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงได้บอกกล่าวให้คณะสงฆ์ลงขันกันนะพวกเราเงินทุกบาททุกสตางค์มาในมาทาบุญกับองค์หลวงตาที่ยนตู้ลงไปแล้วห้ามเอามาใช้เด็ดขาดเพราะเป็นคำสั่งของหลวงตาท่านสั่งเป็นพินัยกรรมอีกต่างหากเราต้องเคารพินัยกรรมของท่านแต่ถ้าว่า เราไม่มีเงินเลยพวกท่านทั้งหลายคิดดูสิว่าจะจะทำยังไงสังกะสีห้องน้ำล่ะหัวส้วมล่ะท่อน้ำเลยไฟล่ะมันได้ใช้เงินทั้งหมดคนมาตั้งเป็นหมืน่นเป็นแสนเป็นล้านจะใช้เงินยังไงถ้าพวกเราไม่ลงขันกันแล้วจะทำยังไงอา้าวลงขันกันเพราะนั้นหลวงพ่อจึงลงขันเป็นคนแรกเลยนะอา้าวผมลงขันห้าแสนบาทเนะี่ จากนั้นก็มีคนลงขันกันมีพระครูบาอาจารย์ลงขันกันแต่ห้ามประกาศนะถ้าประกาศว่าใครอยากจะมาร่วมลงขันงานศพของหลวงตาออามาจุดนี้ได้เพราะว่าคนทั้งหลายเขาพอแล้วเรื่องจะทำบุญช่วยชาตินะลงซื้อทองคำเข้าคลังหลวงนะเขาพอแล้วในใจของเขาแต่ถ้ามีเปลี่ยนเปลี่ยนทางใหม่ เอามาทําบุญเกี่ยวกับองค์หลวงตาเนี่ยไข่ไข่กับศรัทธาหลวงตาเนี่ยอย่างพวกเราซื้อทองคําเข้าคลังหลวงเหมือนกันตามหลวงพ่ออินเลยใช่ไหลวงพ่ออินศรัทธาศรัทธารัฐบาลใช่ไหมศรัทธาคลังหลวงใช่ไหมไม่ใช่พูดเลยหลวงพ่อจรัทธาหลวงตาหลวงพ่อมอบให้หลวงตาหลวงตาซื้อทองคําเข้าคลังหลวงเป็นหน้าที่ของหลวงตาแต่เราศรัทธาหลวงตาแต่ถ้าหาว่าไม่ใช่หลวงตา ถ้าไม่ใช่หลวงตามาพูดนะไม่ใช่ไม่ให้ธรรมดาจ้างจ้างอีกหลวงพ่อก็ไม่ให้เหมือนกันนี่พูดอย่างนั้นอีกจ้างอีกหลวงพ่อก็ไม่ให้ใหเพราะอะไรเพราะศรัทธาในหลวงตาคิดว่าหลวงตาจะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติก็เป็นประโยชน์จริงจรอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นพอเงินทุกบาททุกสตังค์ทุกวันนี้เงินไทยทุกวันนี้เป็นกระดาษแต่มีคุณค่าเพราะเครดิตของเราดี เพราะอะไเพาเงินทองคำอยู่ในคลังหลวงมีนี่แหละมันเกิดประโยชน์อย่างนั้นที่ลงตามองเพราะนั้นเรื่องที่พวกเราจะลงขันกันช่วยงานของลงตาถ้าพวกเราเอามือกายหน้าผากอยู่เดินคิดเดินคิดนอนคิดนั่งคิดดูสิเกิดประโยชน์หมเกิดประโยชน์แต่ถ้าว่าเราไม่มีการลงขันกันปล่อยให้ตามคนแตุ่๋ดแท้แต่มันจะเป็นจะไป พวกเราคิดดูซิว่าจะมีวันนั้นไหมงานจะเสร็จส ม, สมบูรณ์ไหมเน่จะไปคิดแบบโ ง, โ ง, โ ง, โงนะ่ๆคิดอะไรต้องคิดฉลาดอันนี้มาคิดถึงเจดีย์ของหลวงตาอีกเหมือนกันถ้าหลวงตาบอกว่าอย่ายุ่งกับเรานะอย่ายทาเจดีย์ให้เรานะอันนั้นเป็นหน้าที่ของท่านท่านเป็นผู้มักน้อยสันโดษท่านไม่ไม่พยองพองตัวท่านไม่ลืมตนพูดง่ายๆท่านเป็นพระหันและจะลืมตนได้อย่างไงหลวงตาเป็นพระหรันจะจะลืมตนได้อย่างไง ถ้าท่านพูกว่าในเมื่อเราตายไปแล้วนะพวกท่านทั้งหลายลูกเป็นลูกศิษย์ของเรานีนะทุกคนนะต้องเสียสละเนาะต้องทําเจดีทองคําให้เรานะอให้ใหญ่กว่าเงินสิบสามตันอีกนะให้ใหญ่ๆนะให้ทําใหญ่ให้เรานะถ้าหลวงตาพูดอย่างนั้นพวกเราจะมีความรู้สึกยังไงจะนับถือเลื่อมใสหลวงตาไหมหลวงพ่อเนี่ยองค์หนึ่งจะไม่เลื่อมใสในคําพูดนั้น แต่ถ้าว่าลวงตาพูดว่าอย่าอย่ามาทําให้กับเรานะเรื่องเจดีเอาทองคเอาเงินที่ได้มาเอาซื้อทองคำเข้าคลังดวงสัลีละของเราการะดูกร่างกายของเราเอาเฟื่องไม้จิกไม้หลังมาเผาไม่ต้องเอาเงินมาใช้ทาคำทํำพูดคำนี้นะมันลึกซึ้งมากสําหรับศิษย่านุศิษฐ์ผู้ที่มีความคิดถึงท่านจะห้าม ไม่ให้ทําแต่องค์อื่นท่านท่านบอกในหลงปูเขาวสมควรจะสร้างเจดีย์หลงปูฟันท่านก็เป็นประธานสร้างเจดีย์ถาวายหลงปู่ฟัดหลงปูต่างๆท่านล่าสมควรสร้างเจดีย์ไม่ชีแก้วสมควรสร้างเจดีย์สินทองสมควรสร้างเจดีย์สมุเพียนสมควรสร้างเจดีย์ท่านพูดเองแต่สําหรับตัวของท่านไม่สมควรอย่างนั้นใช่ไหม ถ้าหากว่าชิดไม่คิดไม่อ่านชิดโง่งก็ต้องว่าท่านห้ามยังไงก็ต้องทําอย่างนั้นไม่ใช่หลวงพ่อหลวงพ่อไม่เห็นด้วยองค์อื่นให้ทําองค์อื่นท่านให้ทําแต่สําหรับองค์ท่านท่านถอมตนเอชิดยาวและชิท์ทั้งหลายสมควรอย่างยิ่งที่จะรวมกันนี่แหละพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตาของเราเนี่ยสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างพระเจดีย์ต้องเป็นอย่างนั้นจากนั้นตอนเก็ เจดีย์ ja สมควรแก่ใครพระเจดีย์สมควรแก่ใครในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสไว้สี <blonde> ส่จำพวกพระพุทธเจ้าสมควรที่จะสร้างพระเจดีย์ถวายบรรจุพระพระธาตุของท่านพระปฏิเจ้าสมควรที่จะสร้างเจดีย์ถวายพระหันทสาวกสมควรที่จะสร้างเจดีย์ถวายพระเจ้าจักรพรรดสมควรที่จะสร้างเจดีย์ถวาย ในสีท่านนั้นมีพระเจ้าจากักรพรรดิคนเดียวที่มีกิเลสอยู่แต่สมควรสร้างสถูปและเจดีเพราะอะไรเพราะพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นคนดีเป็นที่ยอมรับของพี่น้องในยุคสมัยนั้นเป็นผู้มีศินศินห้าเป็นประจำสินแปดสินอุโบสถเป็นครั้งคราวสําหรับพระเจ้าจากักรพรรดิไปท่านไหนไมิแต่ให้คุณประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนคนทั้งหลายนับถือเรื่มสายกราบไหว้ ด้วยความเต็มอกเต็มใจเมื่อท่านร่วงรับดับขันไปคนทั้งหลายก็โอ้พระเจ้าจักรพรรดิเป็นคนดีขอขอให้ข้าพเจ้าเป็นได้บุญวาสนาได้มีส่วนร่วมให้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิอย่างนี้ใครๆก็ปรารถนาเป็นคนดีถ้าคนปรารถนาเป็นคนดีแล้วจะเหลวได้ยังไงเพราะทุกคนปรารถนาเป็นคนดีนนพเพราะได้รับผลแห่งความดีของพระเจ้าจักรพรรดิ เพราะฉะนั้นพระเจ้าจักรพรรดิสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างสัตวกพระเจดีย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจของพี่น้องประชาชนในยุคสมัยนั้นอันนี้ก็คือถูปรหะบุคคลสี่จำพวกสมควรที่จะสร้างพระเจดีย์เพื่อบรรจุอธิธฐานพระธาตุของของท่านพระพุทธเจ้าพระประเจิพุทธเจ้าพระหันตสาวกพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยนะสีท่านแต่องค์หลงตาของเราเนี่ยเป็นใคร องหลวงตาเนี่ยคือพระหัตนนะสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างสตุจดีบูชาพระอารหันต์คือองหลวงตา เ, เมื่อสร้างเสร็จแล้วกันน่ถ้าจะเปรียบเทียบ ก, กับทางโลกยอย่างประเทศไทยของเราเนี่ยใครบ้างสมควรแก่โกรธ ท, ที่จะเข้าโกรธมีใคร่มีพระบรมวงศานุวงศ์จากนั้นก็ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ มีองค์ข้ามูตรีแล้วก็มีใครมีนายทหารมีมยียศทั้งฝ่ายพระสงฆ์ก็มีชั้นไหนสังฆราชสมเด็จเนี่ยชั้นไหนชั้นธรรมอย่างองค์ลงตาเนี่ยเป็นพระธรรมวิสุทธิมงคลมีโกรธเป็นเครื่องเชิดชูบูชาบุคคลสําคัญต้องเป็นโกรธต้องเข้าโกรธหรือว่าโกรธเป็นเครื่องประดับ บุคคลคนนั้นผู้ที่ทาคุณูปการให้แก่ประเทศชาติไม่ใช่โกรธจะใส่ตาสีตาสาแต่มีตามาตาลีตะเหลือกไม่ใช่ให้บุคคลที่ทําคุณอูปการให้แก่ประเทศชาตินี้ก็เหมือนกันถูปภะหบุคคลสี่จำพวกสมควรที่จะสร้างพระเจดีย์มีกี่ท่านมีอยู่สีท่านอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวฮะเพราะฉะนั้นองค์หลวงตาเนี่สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างสถูปพระเจดีย์ เรื่องพิพิธภัณฑ์นี่อีกส่วนหนึ่งเรื่องพิพิธภัณฑ์คือกล่าวถึงประวัติของท่านความเป็นมาประวัติของท่านเป็นมาอย่างไรส่วนสัททูบและเจดีเนี่ยเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจล้ำลึกถึงพระคุณของท่านท่านมีพระคุณต่อพวกเราท่านทั้งหลายต่อคณะสิทธิ์ทั้งหลายต่อพระศาสนาทั้งหลายต่อประเทศชาติบ้านเมืองทั้งหลายล้วนแล้วแต่มีคุณอุปการอย่างยิ่งท่านเราบรรยายแล้วหลวงพ่อผงไม่ได้ฉันอาหารวันนี้ถ้าบรรยาย คุณงามความดีขององค์หลวงตาเ่ต่อ น, นี้ไปรับพรนันโมทนาให้พร